วันนี้เป็นวันเสารที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เป็นช่วงที่มีโรคระบาดคือโรคไข้หวัดใหญ่ที่พวกเราทุกคนคงได้ยินได้ฟังกันมา แต่เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปหวาดวิตกเกินเหตุเกินผลเพราะเป็นโรคที่รักษาให้หายได้และอัตราการตายจากโรคนี้ก็ต่ำมีอยู่ประมาณร้อยละสองคือทุกร้อยคนที่ติดโรคนี้ จะมีตายอยู่สองคนและผู้ที่เสี่ยงต่อความตายโลกนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีภูมิทั้นทานโลกต่ำเช่นผู้สูงอายุประมาณหกสิบปีขึ้นไปหรือเด็กที่ต่ำกว่าสองขวบหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการตายจากโรคไข้หวัดใหญ่นี้และอาการของไข้หวัดใหญ่นี้ก็ต่างจากไข้หวัดใหญ่ที่ตรงที่จะมีมีไอแล้วก็จะหายใจไม่ออกนี่คือลักษณะของโรคนี้ที่พวกเรา ควรที่จะเรียนรู้เพื่อที่เวลาเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรถ้าเราไม่แน่ใจก็ไปโรงพยาบาลไปให้หมอตรวจดูการแพร่หรือการติดโรคนี้ก็เกิดจากมือของเรานี่แหละที่ไปแตะพื้นผิว ที่มีเชื้อโรคติดอยู่เพราะเราจะต้องใช้มือเราจับนู่นจับนี้เปิดประตูเปิดหน้าต่างจับอาหารใส่ปากเวลามือเราไปแตะพื้นผิวต่างๆพื้นผิวนั้นอาจจะมีเชื้อโรคอยู่พอเราไปแตะเราก็เอาเชื้อโรคติดมากับมือแล้วเวลาเรารับประทานอาหาร เรือรับประทานขนมเราก็ใช้มือหยิบเข้าปากเราก็เอาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเราดังนั้นจึงควรพยายามล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนที่จะรับประทานอาหารทุกครั้งจะช่วยลดโอกาสที่จะติดโรคนี้ได้ ถ้าไม่สามารถใช้น้ำกับสบู่ได้ก็มีน้ำยาที่เราสามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกครั้งที่จะใช้มือหยิบอาหารเข้าปากก็ควรที่จะเช็ดมือล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วโอกาสที่เราจะติดโรคนี้ก็มีน้อยลงไปถ้าไม่จำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยง ไปตามสถานที่ที่มีคนแอบอัดยัดเยียดกัน <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราสามารถจะทำได้กับการรับของโรคระบาดอันนี้แต่เราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเพราะเป็นโรคที่รักษาได้ ป้องกันได้ในระดับหนึ่งขอให้เรามีสติอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความตื่นตนกโดยเฉพาะสติดูเวลาที่เราใช้มือเราเวลาที่เราจะหยิบอาหารหยิบอะไรเข้าปากขอให้มีสติถามว่ามือเราสะอาดหรือไม่ ถ้าไม่สะอาดไม่มั่นใจก็ควรที่จะไปล้างมือเช็ดมือก่อนแล้วค่อยรับประธานาหารเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดสอนไว้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา และโรคภัยที่เป็นนี้ก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันที่ทุกๆร่างกายจะต้องพบไม่ช้าก็เร็วโรคภัยชนิดที่หนึ่งก็คือโรคที่เป็นแล้วหายเองไม่ต้องรักษาเช่นโรคหวัดธรรมดาเป็นแล้วสี่ห้าวันโรคหวัดก็หายไปเองได้ โรคชนิดที่สองเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายแล้วก็โรคชนิดที่สามโรคที่รักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะตายเท่านั้นนี่คือลักษณะของโรคชนิดต่างๆที่ร่างกายของพวกเราทุกคน ที่เกิดมาแล้วจาเป็นที่จะต้องเจอจะต้องเป็นกันแต่ข่าวที่ดีสำหรับพวกเราก็คือข่าวที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราก็คือเราพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไป เราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ผู้ใช้ร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเรานี้เป็นนายของร่างกายร่างกายเป็นบ่าวเป็นผู้รับใช้เราเห็นเป็นคนละคนกัน ร่างกายเป็นอะไรไม่ได้ทำให้เราเป็นไปกับร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้เจ็บไข้ไปได้ได้ป่วยไปกับร่างกายร่างกายตายเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะฉะนั้น <c oughs> เราไม่ต้องไปวิตกกังวลมากเกินไปกับความเป็นไปความเป็นความตายของร่างกาย ด้วยการมาคอยเตือนใจสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายอย่าไปเดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเราห้ามความเป็นความตายของร่างกายไม่ได้แต่เราห้ามความทุกข์ใจของเราได้ห้ามไม่ให้ใจเราทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายได้ โดยการใช้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนพวกเหล่านี้แหละค อ, อยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่เรียกว่าจิตใจแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปจิตใจไม่มีวันตายไม่มีวันเจ็บ ไม่มีวันแก่แต่จิตใจมีปัญหาอยู่ตรงที่ยังหยุดการมาเกิดไม่ได้หยุดมายังหยุดมาเกิดมาแก่มาเจ็บเม็ดมาตายไม่ได้คือหยุดไปมีร่างกายไม่ได้ชอบไปหาคนใช้มารับใช้อยู่เรื่อยๆเรพราะเราไม่สามารถที่จะมีความสุข หรือหาความสุขได้ตัวของเราเองเราเลยต้องไปจ้างร่างกายไปซื้อร่างกายมารับใช้เราเราเลยต้องมารับผิดชอบกับเรื่องของร่างกายต้องเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องอรักษาพยาบาลร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบกันแต่ก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอปัญหากับเรื่องของร่างกายเราก็ต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบแล้วนําเอามาสอนพวกเราพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนก็ต้องใช้ร่างกายเหมือนพวกเราใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขจากการการกินการดื่ม การดูการฟังการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ร่างกายก็มีอุปสรรคอย่างที่เรารู้กันว่าร่างกายต่อไปก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปพอร่างกายแก่หรือเจ็บหรือจะตายเราก็จะไม่มี ความสุขกันเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆอย่างที่เคยใช้ได้ <c oughs> แต่ถ้าเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมีวิธีหาความสุขอีกวิธีหนึ่งที่จะให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากร่างกายเพราะเป็นวิธีที่มั่นคงที่แน่นอน ที่เราสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายจะตายหรือไม่ตายเราสามารถมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เองนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาที่เราต้องมาเจอ กับปัญหาของร่างกายถ้าตาบใดมีร่างกายถามนั้นเราก็จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายของร่างกายพอเจอมันก็ทำให้เราไม่สบายกันไม่สบายใจทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เรามีความทุกข์กันพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพวกเรา เมื่อเห็นว่าเมื่อก่อนพระ อ, องค์ก็ทรงใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่พอรู้ว่าต่อไปร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระ อ, องค์ก็เลยอยากจะหาวิธีใหม่ก็ได้เห็นนักบวชพวกนักบวชทั้งหลายก็เลยศึกษา ถามว่าพวกนักบวชเขาทำอะไรกันก็ได้ทราบว่าพวกนี้เขามีหาวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเขาหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบด้วยการฝึกสติก็คุมความคิดหยุดความคิดพอจิตหยุดคิดความอยากก็หยุดชั่วคราว พอความอยากหยุดชั่วคราวความสงบก็เกิดขึ้นมาภายในใจความสุขก็เกิดขึ้นตามมาอันนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้สติคอยควบคุมความคิดควบคุมความอยากพอหยุดคิดแล้วความอยากก็จะหยุดตามพอความอยากหยุดความสงบก็จะเกิดขึ้นมา ความเบาอกเบาใจความสุขสบายใจก็จะเกิดขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นช่วงที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวได้เป็นพักพัก ขณะที่นั่งสมาธิเวลาจิตหยุดคิดหยุดอยากก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอถอนออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มคิดเริ่มอยากใหม่ความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นความสุขใจที่ได้จากความสงบก็หายไปไม่มีใครรู้วิธี ที่จะทําให้ใจมีความสุขทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและหลังจากออกสมาธิมาเมืม่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็อยากจะรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้จิตไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องอวุ่นวายใจหลังจากที่ออกจากสมาธิมามก็เลยไปคน้นคว้าทดลอง โดยพระองค์เองอยในที่สุดก็ส่งค้นพบสาเหตุที่ทําให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบก็คือความอยากของใจนี่เช่นความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอรู้ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายใจก็ก่อขึ้นก่อนแล้วตอนนี้ร่างกายเรายังไม่ได้ติดเชื้อโลกหวัด แต่ใจเราไม่สบายไปก่อนนะวิตกกังวลไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทั้งๆ ท, ที่ร่างกายยังไม่ได้ติดเชื้อติดโรคเลยแต่ใจเราเป็นไปซะก่อนแนละ้วเพราะความอยากของเราเราไปคิดถึงโรคแล้วคิดว่ามันอาจจะทำให้เราติดโรคได้เราก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา ความรู้สึกไม่สบายใจนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากไม่ติดโลกนี้เองมีใครอยากจะติดโลกนี้กันไหมไม่มีเมื่อพอคิดว่าเราอาจจะต้องติดโลกนี้เราก็เกิดความไม่สบายใจเพราะเราไม่อยากจะติดโลกนี้คือความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นในใจของเราแล้วแต่ถ้าเราฝึกสติคอยควบคุมความคิด หยุดความคิดหยุดความอยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้คือทำใจให้เฉยๆได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับข่าวๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และถ้าติดโลกขึ้นมาก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกัน ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้สิ่งที่จะทำให้เราควบคุมความคิดความอยากได้อย่างถาวรก็คือปัญญาสตินี้เราใช้ควบคุมได้เป็นชั่วคราวเวลาที่เราใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากความไม่สบายใจ ที่เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายไปแต่พอเราออกมาคิดออกมาอยากความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะให้มันหายใหม่ก็ต้องใช้สติใหม่พุทธโธใหม่แต่มันก็จะหายชั่วคราวถ้าใช้สติวิธีที่จะทำให้ความทุกข์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนี้ หายไปอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาปัญญาคืออะไรคือความจริงของร่างกายนี้เองเราต้องมาศึกษาธรรมชาติความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าร่างกายมันเป็นอนิจจ์มันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข่เนี่ยมันมีเจริญมันมีเสื่อมมีเจ็บมีตายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกนี่เราไปสั่งไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ ฝนจะตกแดดจะออกเราอยู่กับมันได้เั่นใดเราก็อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้อยู่แบบไม่ทุกอยู่แบบนี้อย่างไรก็อยู่แบบยอมรับความจริงนั่นเองถ้าร่างกายมันจะป่วยมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ยอมรับมันแล้วก็อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไป รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปหรือถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปเพราะเราไปทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราทำได้เท่าที่เราจะทำได้ถ้ารักษาได้ก็ไปรักษารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน ถ้าใจเราไม่ไปมีความอยากให้มันหายหรือไปมีความอยากให้มันไม่เป็นใจของเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราเห็นความธรรมชาติความเป็นจริงของร่างกายว่ามันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีโรคสามชนิดเนี่ยที่มันจะต้องเป็นเป็นแล้วหายเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย แล้วก็เป็นน้วนักษาไม่หายก็มีแค่นี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรายอมรับได้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เพราะใจเราจะไม่มีความอยากให้มันไม่เป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ไม่ต้องทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายได้ยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดามันไม่มีใครมาฝืนมาสั่งมาห้ามได้ปุ๊บต้นไม้หล่นใครอยู่ใกล้ๆ ค, คอยหลบนะนมพันมาเห็นไม้มนี่ก็ไม่เที่ยงต้นไม้มันจะตายเห็นไ ถูกลมพัดเข้าเดี๋ยวมันก็ล้มลงมาต้นไม้ก็เป็นเหมือนร่างกายทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันนร่างกายเราก็ทํามาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะแยกตัวออกจากกันธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่มัน มารวมตัวกันทำให้เป็นต้นไม้ทำให้เป็นใบหญ้ า, า, าเป็นร่างกายแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะแยกตัวกันพอเวลาร่างกายตายไปธาตุลมก็ไปก่อนไม่หายใจธาตุลมไม่เข้าธาตุที่สองที่แยกออกจากร่างกายไปก็คือธาตุไฟ ร่างกายก็จะเย็นลองไปจับร่างกายของคนตายดยูจะรู้สึกเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นเพราะว่าธาตุไฟได้ออกจากร่างกายไปแล้วเหลืออยู่อีกสองธาตุคือธาตุดินกับธาตุน้ำถ้าทิ้งไว้ต่อไปธาตุน้าก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆจนต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบ กลายเป็นดินไป น, นี่แหละคือร่างกายของพวกเราทุกคนที่ไม่ใช่ตัวเราเพราะตัวเรานี่คือผู้รู้ผู้คิดนี่ไม่ได้เป็นธาตุทั้งสีน่นี้ตัวเราผู้รู้ผู้คิดนี้ท่านเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้ที่เราเรียกว่าจิตใจหรือดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายแล้วธาตุรู้ จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปแล้วก็จะไปอยู่แบบตอนที่เรานอ น, อนหลับกันเวลาที่เรานอนหลับนี้เราไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนได้เราเลยใช้มโนภาพพาเราไปในขณะที่เรานอนหลับในขณะที่เราไม่มีร่างกายใช้ร่างกายไม่ได้เราก็ต้องอาศัยมโนภาพ ที่เราได้บันทึกไว้ในตอนที่เราตื่นตอนที่เราไปทำอะไรต่างๆเราจะมีการบันทึกมโนภาพชนิดต่างๆไว้มโนภาพที่ดีมโนภาพที่ไม่ดีเวลาเราไปทำบุญเราจะบันทึกมโนภาพที่ดีเวลาเราไปทำบาปเราจะไปบันทึกมโนภาพที่ไม่ดี แล้วเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่เราตายมโนภาพเหล่านี้ก็จะมาปรากฏขึ้นมาให้เราได้เสพได้สัมผัสขณะที่เราอยู่ในมโนภาพนั้นเราจะคิดว่าเป็นเป็นเรื่องจริงเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับร่างกาย ล้าเราใช้ร่างกายพาเราไปรับรู้ไปเสพเรื่องราวต่างๆเวลาเรานอนหลับหรือเวลาที่เราตายเราก็จะเป็นเหมือนตอนที่เราตื่นเพราะมโนภาพที่เราได้เสพได้สัมผัสนี้มันเหมือนกับตอนที่เราตื่นตอนนี้เราจะมารู้ในภายหลังหลังจากที่เราตื่นเท่านั้นว่าอ๋อเมื่อกี้เราฝันไป แต่ขณะที่เราอยู่ในความฝันนั้นเราคิดว่าเรากำลังตื่นเรากำลังอยู่กับเหตุการณ์เหมือนตอนที่เราตื่นกันนีน่คือสภาพของดวงวิญญาณของพวกเราที่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วเราก็จะใช้มโนภาพที่เราได้บันทึกไว้ตอนที่เราตื่น มาให้เราเสพได้ให้เราสัมผัสเนี่ถ้าเป็นมโนภาพที่ดีก็เป็นผลที่เกิดจากการไปบันทึกการกระทําที่ดีต่างๆเช่นเวลาเราไปทำบุญไปทำอะไรให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นในใจเราถ้าเราไปทำร้ายผู้อื่นไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่น เราก็จะบรรทุกเรื่องที่ไม่ดีไว้ในใจของเราเรื่องที่มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายใจตอนที่เรานอนหลับเนี่ยบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันไม่ดีเหตุที่ทําให้เราฝันดีเราเรียกว่าบุญเหตุที่ทําให้เราฝันไม่ดีนี่เราเรียกว่าบาปนี่ละ บุกับบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้มาสร้างภาพต่างๆสร้างมนโนภาพต่างๆให้กับดวงจิตดวงใจกับดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่เราใช้ร่างกายพาเราไปเสพเรื่องราวต่างๆไม่ได้นั่นแหละคือสภาพของจิตใจของพวกเรา เวลาที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะอยู่แบบดวงวิญญาณอยู่แบบเหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วเราก็จะมีมโนภาพที่ดีหรือไม่ดีมาให้เราเสพให้เราสัมผัสกันถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าทําบาปบุญจะมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะ สร้างมโนภาพที่ดีให้เราได้เสกกันช่วงนั้นเราก็จะเรียกว่าสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะมาสร้างมโนภาพให้พวกเราได้เสกกันช่วงนั้นเราก็จะเรียกว่าอบายจิตใจของเราจะมีแต่เรื่องทุกข์ยากลําบาก ทุกมีเรื่องแต่ความหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวมีเรื่องที่มีแต่สร้างความโกดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทให้เราได้เสพได้สัมผัสนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วน่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะอยากหรือไม่อยากก็ตาม เราห้ามความจริงไม่ได้ห้ามความจริงของร่างกายไม่ได้ร่างกายในที่สุดก็ต้องตายไปแล้วดวงจิตที่เกาะติดอยู่กับร่างกายก็ต้องแยกออกจากกันไปแล้วช่วงนั้นดวงจิตดวงใจก็จะเป็นดวงวิญญาณแล้วก็จะอาศัยบุญหรือบาปมาสร้างมโนภาพให้เสพให้สัมผัสไปจนกว่าบุญหรือบาปนั้นหมดกาลังลง ดวงวิญญาณก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพราะในดวงวิญญาณนี้ยังมีความอยากที่จะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ยังมีกามตันหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือภาวะตันหาความอยากเสพรูปประชานหรือวิภวะตันหาความอยาก เสพ ร, รูปประชานก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเราไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เหมือนเราเตื่นขึ้นมาใหม่ตอนที่เราตายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับไปแล้วพอคลอดออกมาจากท้องแม่พอลืมตาปุ๊บก็ เมือนกับตื่นขึ้นมาเพียงแต่เราไม่ได้ตื่นไม่ได้ตายจากร่างกายอันเดิมตอนที่เรานอนหลับนี้เราตายจากร่างกายอันเดิมแล้วพอเราตื่นเราก็ตื่นกลับมาที่ร่างกายอันเดิมของเราเนี่ยเราตายเราเกิดทุกวัน เ, นเมื่อคืนนี้เราตายกันเราทิ้งร่างกายไว้ชั่วคราวแล้วพอตอนเช้าเราก็ตื่นขึ้ น, นมา เราก็กลับมาเกิดใหม่แต่เกิดในร่างกายอันเก่าแต่พอร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไปเราก็ไม่สามารถกลับมาเกิดในร่างกายอันเก่าได้แล้วเพราะมันจะกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเราก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่้วพอร่างกายอันใหม่คลอดออกมาจากท้องแม่เราก็จะตื่นขึ้นมาใหม่ พอตื่นเราก็จะเริ่มใช้ความอยากต่างๆพออยากอยากดูอยากฟังน้องห้า่เวลาไม่ให้มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ฟังพ่อแม่ก็เลยต้องหาของเล่นมาให้ดูของอะไรมาให้ฟังพอได้ของเล่นได้มีอะไรดูได้มีอะไรฟังก็หยุดร้องไห้ไปชั่วคราว แล้วพอเบื่อกับของเล่นนั่นเก่าก็ล้องใหม่หาของเล่นอันใหม่ต่อไปเราก็จะเริ่มหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายอันใหม่ต่อไปแล้วเราก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเหมือนกับที่เรากําลังเจอกันอยู่ในขณะนี้นี่แหละคือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนถ้าตราบใดยังมีความอยาก ที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เราก็ต้องมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเราเวลาเรามาเกิดเราก็จะต้องไปทำบุญทำบาปตามเหตุการณ์ตามโอกาสที่มันผักดันให้เราทำกันเพราะเวลาเราอยากได้อะไรมากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีไม่ทำบาปเราก็จะต้องใช้วิธีทำบาป พะเวลาอยากแล้วมันทุกข์มันทรมานใจมันทนไม่ไหวก็เลยต้องพยายามหาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้ถ้าหาโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ทำบาปไปนี่คือทำไมเราจรึงต้องมาทำบาป ก, กันแล้วทำไมเรามาทำบุญกันทำบุญก็เพราะ บางทีเราหาสิ่งที่เราอยากได้มามากกว่าที่เราใช้ได้เช่นหาเงินหาทองได้มากกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็คิดถึงคนอื่นอยากให้คนอื่นเขามีเงินมีทองอยากให้เขามีความสุขมีความสะดวกสบายเหมือนเราเราก็เลยแบ่งเงินทองให้เขาใช้ไปเราก็ได้โอกาสทำบุญไป เวลาทำบุญเราก็เกิดความรู้สึกมีความสุขใจสบายใจเราก็เลยชอบทำบุญกันเวลาทำบาปเรารู้สึกไม่สบายใจเราก็พยายามที่จะฝืนกันแต่บางทีก็ฝืนไม่ได้เพราะว่าบางทีความอยากมันมีความรุนแรงมากกว่าที่เราจะฝืนได้เราก็เลยหยุดการกระทำบาปกันยังไม่ได้นี่แหละ คือเรื่องราวของจิตใจของพวกเราทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดกันแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรานั่นเองเราก็เลยต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายของร่างกายหลีกเลี่ยงไม่พ้นวิธีเดียวที่จะทําให้เรา ไม่ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเลือกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขด้วยการมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบขั้นตอนก็ใช้สติเป็นเครื่องมือคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมความอยากสติที่เราใช้กันเรียกว่าพุทธโธเนี่ย ให้ท่องระลึกถึงคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับคําว่าพุโทโธต่อไปความคิดนั้นก็จะหายไปหยุดไปพอความคิดหายไปหยุดไปความอยากก็จะหายไปชั่วคราวใจก็จะสุขใจก็จะสบายขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานขึ้นมา เบื้องต้นเราต้องอาศัยสมาธิรูปฌปานหรืออรูปฌปานเป็นแหล่งให้ความสุขกับเราก่อนเพราะเราต้องการเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆเลิกหาความสุขจากการใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยมาใช้หาความสุขด้วยการใช้สติใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธ หรือใช้การเพ่งดูลมหายใจเข้าออกเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากที่ตัวเป็นตัวที่สร้างความหิวสร้างความไม่สุขไม่สบายให้กับใจพอเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วคราวความวุ่นวายใจความหิวความอยากความต้องการหายไปความสงบก็ปรากฏขึ้นมา แต่เป็นความสุขเป็นความสงบแบบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรดก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราอยากที่จะทำให้ความสงบที่ได้จากสมาธินี้เป็นความสงบแบบถาวรเราต้องคอยกาจัดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในใจ อยากเสพรูปเสียงกลิ่นร้อยก็ต้องพิจารณารูปเสียงกลิน่นนนให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นความสุขชั่วคราวอนิจจังพอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลด จริงๆความเป็นจริงก็คือไปหาความทุกข์นั่นเองเพราะไม่ช้าก็เร็วความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิล่นรสผลพะมันก็จะจางหายไปพอหายไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นวิธีไปหาความสุขวิธีที่จะทำให้ใจเราสุขก็คือต้องไม่ทำตามความอยากเพราะถ้าเราฝืนความอยากได้ ต่อไปความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหายไปพอมันหายไปเราก็มีความสงบเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิความสงบที่ทำให้ใจเราอิ่มใจเราพอใจเราสุขเกิดขึ้นเพราะการหยุดความอยากได้อันนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้ความอยากที่มีอยู่ในใจทั้งสามชนิดหายไปหมด ถ้าอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็อย่าไปทําตามมันถ้าอยากเข้าฌานก็อย่าไปเข้ามันถ้าอยากจะเข้าวารูปฌปานก็ไม่ต้องไปเข้ามันใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นทุกข์ถ้าไปติดมันแลน้วเป็นเหมือนยาเสพติดคนที่ไม่ติดยากับคนที่ติดยาใครสบายกว่ากันคนที่ไม่ติดยาเสพติดจะไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกเือด้อน เวลาไม่มียาเสพติดให้เสพแต่คนที่ติดยาเสพติดแล้วนีเวลาไม่มียาเสพติดให้เสพจะเดือดร้อนมากจะทุกข์ทรมานใจมากจะไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดอยู่เฉยๆก็สบายไม่ติดยานี่แหละพวกเรากำลังติดยาเสพติดสามชนิดกันเติด ติดกามติดรูปเสียงกลิ่นรสผดเธภาหรือไม่ฉะนั้นก็ไปติดฌานสมาธิไปติดรูปประชานคนที่เลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปติดฌานกันพวกนักบวชทั้งหลายนี่สมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสอโรนี่เขาจะติดฌานกันเพราะเขาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ตาหูจมูกนิ้นกายมาใช้สติเอมาใช้สติก็มาติดกับ ความสุขที่ได้จากฌานต้องเข้าฌานอยู่เรื่อยๆพรเวลาออกมาจากฌานแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขก็ต้องคอยกลับเข้าไปเรื่ยอยๆก็เลยติดฌานติดฌานก็ยังติดการกลับมาเกิดอยู่เพราะฌานนี้พาให้เราไปเกิดอีกลูประพบกับอารูประพบเนี่ยเราอยู่ในวัฏะสงสารที่ประกอบขึ้นด้วยใจพบพบสามพบด้วยกัน คือกามาพบรูปรพบกับอรูปรพบกามาพบก็คือพบของผู้ที่ติดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นมนุษย์ตเทวดาหรือสัตว์ในรัจฉานเปรตผีสัตว์นรกนี้เป็นพวกที่ติดรูปเสียงกลิ่นรสกั น, กนส่วนพวกที่ติดรูปประชานก็จะไปอยู่รู ป, ปรพบพวกที่ติดอรูปประชานก็จะไปอยู่อรู ป, ปรพบแล้วพอ ฌานเสื่อมลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาสร้างฌานใหม่มาเติมฌานใหม่พวกที่ติดกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสพอร่างกายตายไปก็ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายมามาเพิ่มา ม, ามาเพิ่มความสุขให้ใหม่เล ก็ยังต้องติดมากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆทั้งสามภพไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนเกิดในกายมาภพเกิดในรูปภพเกิดในอารมูภพเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กันเกิดล้วก็ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ตอนต้นเราก็ต้องหยุด ความอยากทางกามก่อนเพราะพวกเราส่วนใหญ่นี่ติดความสุขทางกามทั้งนั้นยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยู่ยงั้นเราต้องมาหัดถือศีลแปดกันมาถือเนคขมมะก็เรียกบทเนคขมมะคือการออกจากกามคำว่าเนคขมมะนี่แปลว่าการออกจากกามมาสุขเลือกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส การถือศีลแปดนี้ก็จะห้ามเราไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่นนนศีลข้อสามก็ให้เราถือศีลพรหมจรรย์คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อหกก็ห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารตามความอยากอนุญาตให้ดื่มให้รับประทานอาหารตามความจําเป็นตามความต้องการของร่างกายได้ ให้มีเวลาไม่ให้เกินเที่ยงวันไปหลังจากที่เติมอาหารเติมเครื่องดื่มให้กับร่างกายหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนี้ก็พอเพียงที่จะให้ร่างกายอยู่ไปได้ถึงวันนุ่มขึ้นร่างกายไม่ตายจากการอดข้าวเย็นอย่างแน่นอนแต่ให้กิเลสตายให้ความอยากตายความอยากกินข้าวเย็นนี้ต้องให้มันตายด้วยการไม่ให้มันทําะ อดข้าวเย็นแล้วก็ให้มาอดการหาความสุขจากมหัศลศพบันเทิงจากการไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ห้ามไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเพราะเวลาจะไปตามแหล่งท่องเที่ยวนี้ต้องเสริมสวยความงามก่อนถึงจะกล้าออกจากบ้านกันถ้าให้ใส่ชุดนอนออกจากบ้านนี้ไม่กล้าไปกันเนีต้องห้าม น, น, นี่คือวิธี หยุดความอยากในระดับของศีลก่อนการหยุดนี้เพียงแต่เป็นการห้ามหรือเป็นการสร้างอุปสรรคขวางไว้เท่านั้นแต่ความอยากมันไม่ได้ตายจากการถือศีลแปดแต่เป็นการที่จะลดกำลังของความอยากลงเมื่อลดกำลังของความยอยากลงแล้วก็จะได้ใช้กำลังของสติของสมาธิมาหยุดมัน พอเราถือศีลแปดแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติจเจริญสติมานั่งสมาธิกันถ้าเรายังไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็ไปที่นั่นมาที่นี่ได้ไปเที่ยวที่นั่นไปดูหนังฟังเพลงได้ไปกินไปดื่มไปงานเลี้ยงต่างๆได้เราก็จะไม่มีเวลามาฝึกสติกันมานั่งสมาธิกัน มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายมาใช้สติมาใช้สมาธิกันนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะตัดความอยากต่างๆขั้นแรกเราตัดตัวแรกก่อนคือกามาตัาหาก่อนพอเราตัดกามาตัาหาทำจิตใจให้สงบได้เราก็จะ เราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวแต่พอเราออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกกำลังของสติมกดไว้มันยังมีกำมันไม่ตักมันไม่ตายมันก็จะโผล่ขึ้นมาพอเราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นแล้วเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอคิดถึงเครื่องดื่มที่เราชอบก็อยากจะดื่มขึ้นมาคิดถึงขนมที่เราชอบก็อยากจะกินขึ้นมาตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ ถ้าอยากจะกินขนมกินอาหารก็ให้นึกถึงภาพที่ไม่สวยไม่งามของอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานให้ไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาเคี้ยวเวลาเคี้ยวผสมกับน้ำลายแล้วลองคายมันออกมาดูหน้าตามันเวลาอยู่ในปากแสนะอร่อยเวลาคายออกมาแล้วดูสิว่าจะตัดกลับเข้าไปกินใหม่ได้ปะถ้าเราเห็นภาพ ของตอนนี่มันอยู่ในปากแลืออยู่ในท้องหรือตอนที่มันถ่ายออกมานี่เราจะไม่อยากจะกินเลยความอยากนี้จะหายไปเลยอยากจะกินอาหารกินขนมพอนึกถึงภาพที่ไม่น่ากินของอาหารนั้นนั้นความอยากมันจะวิ่งหนีไปเลยนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เรื่องของความอยากกินนี่หายไปไม่ต้องไปเสียเงิน เข้าฟิตเนสเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาออกแรงออกกําลังกายให้เหน็ดให้เหนื่อยพอกําลังกายเสร็จมันหมดแรงมันก็อยากจะไปกินใหม่เติมกําลังใหม่ดีฉะนั้นคนไปฟิตเนยร้อยทั้งร้อยไม่มีวันที่จะลดน้ําหนักได้แต่คนที่มาถือศีลแปดนี่รับประกันได้ลดน้ําหนักเนี่ยพระที่มาบวชสามเดือนช่วงเข้าพรรษานี่บางคนนี่ลดไปสิบโลนะช่วงแค่สามเดือนนเนี่ย พราะที่นี่ฉันมือเดียวเนทไมนะทุกคนเนี่ยที่มาบวชนี่ถามได้เลยว่าน้าหนักลดไหมลดดังนั้นลดมากลดน้อยไม่ต้องไปออกกําลังกายไม่ต้องไปเต้นแอโรบิกไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่มาถือศีลแปดเท่านั้นเองศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยีิบเจ็ดก็รับรองได้ว่าเรื่องรับประทานอาหารนี้จะไม่มีปัญหาอีกต่อไป แล้วต่อไปเราจะไม่รู้สึกหิวโหยกับอาหารเวลากินก็กินเหมือนกับเติมน้ำมันรถยนต์อ่อน้ำมันหมดก็ก็แวะปั๊มเติมแล้่อนอยเวลาร่างกายมันบอกหิวถึงค่อยไปกินแต่ใจนี้จะไม่ไปคิดไปถึงอาหารเลยเพราะทุกครั้งที่คิดปั๊บปัญญามันจะมาสกัด ท, ทันทีมันจะนึกถึงภาพของอาหารที่ไม่น่ากินขึ้นมาทันที แล้วรับรองได้ว่าความอยากกินอาหารนี้จะไม่มีอีกต่อไปปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนี่รับประโยชน์ได้หลายอย่างได้ประโยชน์ทางจิตใจแล้วยังได้ทางร่างกายร่างกายจะได้ชวดทรงกลับคืนมาแทนที่จะได้ตุ่มเราจะได้ขวดน้ํากลับคืนมามีสวนมีทรงไม่ใช่กลายเป็นตุ่มไป นี่คืออ น, นิสงส์ของการเจริญปัญญาเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารถ้าเรารักแฟนชอบแฟนอยากจะอยู่กับแฟนเราก็ต้องใช้ปัญญาอีกแบบหนึ่งเราต้องดูตอนที่แฟนเราไม่มีลมหายใจเองนึกถึงภาพว่าถ้าเกิดแฟนเราไม่หายใจวันนี้เรายังจะไปหาเขาเปล่าเรายังอยากจะนอนกับเขาหรือเปล่า ถ้ารักกันขนาดไหนพอแฟนไม่มีลมหายใจแล้วเนี่ยสับปเปล่ก็ยกให้ได้เลยเมื่อตอนนี้ยังมีลมหายใจนี่หวงใครมาแตะไม่ได้ใครมาพูดมาคุยด้วยไม่ได้ถึงหวงขึ้นมาทันทีพอไม่มีลมหายใจแล้วใครจะมาไม่สนใจแล้วเอาไปเลยยกให้เลยเนี่ยเราต้องพยายามนึกถึงร่างกายของแฟนเวลาที่เขาไม่มีลมหายใจบ้างแล้วมันจะทาให้เรา คลายความรักคลายความอยากอยู่ใกล้เขาได้พอไม่มีลมหายใจแล้วไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้ก็อยู่เดี๋ยวๆ เ, เพื่อไม่ให้เสียมารยาททั้งนี้แต่ตัวจะฝากร่างกายว่าอยู่กับสักสองสามวันที่บ้านได้หมไม่เอาอย่างแน่นอนต้องนึกถึงอสุภะนึกถึงตอนที่ร่างกายไม่สวยไม่งาม ร่างกายมันไม่สวยไม่งามตอนที่มันไม่มีลมหายใจนี่แหละพอมันตายแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นเอิดขึ้นมาส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาให้นึกถึงภาพเหล่านี้หรือนึกเข้าไปในภายในของร่างกายก็ได้ภายใต้ผิวหนังมีอะไรเยอะแยะซ่อนอยู่ในร่างกายของเราที่เรามองไม่เห็นกันนเี่ยโครงกระดูกทั้งโครงก็อยู่ในร่างกายอันนี้บอดตับหัวใจลำไส้อะไรต่างๆก็มีอยู่ในร่างกายอันนี้ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรต่างๆเยอะแ ย, ยะก็มีอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าเราอยากที่จะคลายความกำหนัดยินดีคลายความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสของร่างกายเราก็ต้องพิจารณาอาสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วต่อไปความอยากที่จะเสพการ ม, มันจะหายไปหมดเนี่พอไม่มีความอยากแล้วอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อน ที่พวกเราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ตามลาพังไม่ได้เพราะความอยากพออยากแล้วมันทําให้เรารู้สึกเหงารู้สึก ว, าว่าวเเอใช่ไหมสังเกตดูพออยู่คนเดียวนี่เหงาพอได้อยู่ใกล้กับเพื่อนกับแฟนนี่หายหเหงาไปเลยเพราะว่ามันได้ทําตามความอยากเนีอยากอยู่ใกล้แฟนอยากจะดูอยากอยู่ใกล้เพื่อนอยู่อยากอยู่ใกล้กับคนที่เราลากเราชอบมันก็เลยทําให้เรา เกิดความเหงาขึ้นมาเวลาเราไม่ได้อยู่ใกล้เขาแต่ถ้าเราหยุดความอยากที่จะไปอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้ได้เวลาอยู่คนเดียวนี้ไม่รู้สึกเหงาเลยไม่รู้สึกมีความว้าเหวแต่อย่างใดเพราะความอยากตัวที่ผลิตความเหงาความว้าเหวมันไม่มีในใจของเราเราก็จะอยู่เป็นโสดได้อยู่ตามลําพังได้ไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้ ก็มีใครแล้วเราก็มักจะหึงจะหวงจะห่วงแล้วเวลาแยกกันก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันพอเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ปัญญาเราก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขอยู่โดยที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เราเสพนี่คืออนุภาพของปัญญาที่จะทำให้เรา ทำลายความอยากได้อย่างถาวรถ้าเราใช้สตินี่เราเพียงกดมนันเอาไว้เวลามีสติความอยากก็ทำงานไม่ได้แต่พอเราเผลอสติปล่อยให้มันไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากมันก็โผล่ขึ้นมาพอมันโผล่มันก็มาสร้างความหงุดกิดสร้างความลำคาญใจสร้างความเหงาสร้างความว้าเหว สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราจนเราทนไม่ไหวเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียเวลาต้องพัดพากจากกันเพราะไม่ช้าก็เร็วไม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ต้องมีการจากกันไปไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย นี่คือวิธีใช้ปัญญาในการที่เราจะมาเลิกกามาตัญหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ต้องเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีต้องมีการพัดพากจากกันไม่ช้าก็เร็วไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรดีกว่าตัดความอยากมีได้ปั๊บใจก็จะเบาจะเย็นจะสบายอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้นี่คือขั้นตอนของการที่เราจะมาตัดความอยากต่างๆพอเราตัดการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกิดรดได้เราก็มาตัดความอยากในฌานได้ต่อไปฮ พราะตอนต้นเราใช้ชานเป็นเครื่องมือที่เราจะเลิกความอยากทางตาหูจมูกนิ้วกายพอเราไม่พอเราเลิกได้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ชานเป็นเครื่องมือเราก็อย่าไปติดเครื่องมือเราก็ต้องเลิกใช้ชานไม่ต้องไปอยากเข้าชานไม่ต้องไปอยากให้มันเข้ารูปประชานเข้าว่ารูปประชานเพราะการไม่มีความอยากนี้มันดีกว่ารูปประชานนะรูปประชาน จิตที่ไม่มีความอยากนี้มันจะสงบอย่างถาวรมันจะสุขอย่างถาวร น, นั่นแหละคือสุขของพระนิพพานสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากทั้งสามได้เลิกความอยากทั้งสามได้เลิกกามาตันหาเลิกภาวะตัณหาเลิกวิภาวะตัณหาได้พอเลิกได้แล้วทีนี้ก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาสร้างมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความจําเป็นจะต้องมีร่างกายมาสร้างรูปประชานมาสร้างอารูปประชานอีกต่อไปการที่จะกลับมาเกิดเราต้องมาเจอทุกข์ภัยอย่างที่พวกเรากําลังเจอกันในขณะนี้ก็จะหมดไปเราจะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายอีกต่อไป เพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องมีร่างกายเรามีธทรรมคือมีสติมีปัญญาที่กำจัดความอยากทั้งหลายทั้งสามให้หมดไปจากใจทำให้ใจของเราเป็นปรมปรมั ง, ส, ขขงมรรมมสุขขึ้นมาเป็นบรมมสุขขึ้นมา และเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญได้ทรงปฏิบัติและเห็นคุณค่าอันมหาศาลของการหลุดพ้นจากความอยากทั้งสามนี้มานําความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมาให้ความสุขที่ปราศ จ, จากความทุกข <c oughs> ์ที่พวกเรายังต้องเจอกันอยู่เพราะพวกเรายังหาความสุขจากสิ่งที่ยังไม่เที่ยงจากสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์อยู่เรื่อยๆนั่นเอง ดังนั้นเราถ้าเราอยากที่จะไม่ต้องกลับมาเจอกับสภาพที่เราเจอกันอยู่ในขณะนี้ขอให้เรามาฝึกสติกันมาถือศีลแปดกันมาออกจากมาออกจากกามกันมาถือในคขมมะมาเจริญในคขมมะคือการละการหาความสุขจากรูปเสียงกิเรสต่างๆแล้วก็มาเจริญสติ บริกรรมพุทธโธพุทธโธเวลาเดินหรือทำอะไรต่างๆเวลานั่งก็ดูลมหายใจหรือจะใช้พุทธโธก็ได้ถ้าเราทำได้ใจเราก็จะนิ่งสงบมีความสุขจากฌานไปก่อนพอเรามีความสุขจากฌานเราก็เลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจเอาภาพที่ไม่สวยไม่งามของรูปเสียงกิริมาให้เราดู แล้วความอยากได้รูปเสียงกิริมันก็จะหายไปแล้วเราก็พอเราเลิกการได้อย่างท้าวรนด้วยปัญญาแล้วเราก็มาเลิกรูปประชานเลิกการติดกับรูปประชานอารูปประชานอีกต่อไปพอเราเลิกได้ทั้งสามอย่างแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจเราหิวทำให้ใจเราอยากทำให้เราใจเราทุกข์อีกต่อไป ใจเราจะอิ่มตลอดเวลา24ชั่วโมงปาลมังสุขขังตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้กามไม่ต้องใช้ฌานไม่ต้องใช้รูปฌานอารูปฌานเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการไม่มาเกิดเพราะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พวกเรา จะได้จากพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่ได้มาเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้พวกเราจะไม่มี ว, ว, วันรู้วิธีแก้ปัญหาที่พวกเรากำลังประชิญกันอยู่ในขณะนี้เลยผ่านไปวันนี้ผ่านโลกนี้ไปเดี๋ยวก็มีโลกใหม่เข้ามาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายกันไปทุกคนตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาเจอปัญหาอย่างที่เราเจอกันอีก อย่างนี้ไปได้เรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาทุกคนทำได้อย่าประมาทตนเองอย่าไปว่าเราเป็นหญิงปฏิบัติไม่ได้อย่าไปว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชปฏิบัติไม่ได้ ทุกคนปฏิบัติได้เพราะจิตใจของทุกคนไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะจิตใจของทุกคนนี้สามารถเจริญสติได้จิตใจของทุกคนสามารถเจริญปัญญาได้ถ้ารู้จักวิธีเจริญเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักวิธีเจริญสติวิธีเจริญปัญญาก็ไปศึกษาจากพระพุทธธรรมประสงค์เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ยากเย็น เหมือนกับการขี่จักรยานมันไม่ยากเย็นแต่ถ้าเราขี่ไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนจากคนที่เ้าขี่เป็นก่อนพอเขาสอนแป๊บเดี๋ยวหัดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขี่ได้ไปฝึกพุโทโธเดี๋ยวเดียวก็พุโทโธได้ไปฝึกใช้ปัญญาพิจารณาส่วนของที่ไม่สวยไม่งามพิจารณาของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นมาได้ไม่ยากเย็นอะไรไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องไปนะักแบของหนักร้อยกิโลพันกิโลเนี่ย ใครๆก็ทําได้สมัยพุทธกาลนี้เด็กก็มบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้สามนเณรเป็นพระอารหันต์ก็มีคารวะทั้งหญิงทั้งชายเป็นพระอารหันต์ก็มีนักบวชไม่ว่าจะเป็นหนุ่มกอเป็นแก่ก็เป็นพระอารหันต์กันได้ทุกคนเพราะเรื่องของร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่จะทําให้เป็นอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์เรื่องที่จะ ทำให้เราเป็นอาหารหันแม่หรือไม่ออาหาันก็คือจิตใจของเราเนี่ยนหะจิตใจที่สามารถสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นเองท่านะทุกคนสามารถสร้างได้สติมันยากตรงไหนบริกรรมพุโทโธคําเดียวมันยากตรงไหนปัญญาพยายามนึกถึงไตายักษแค่นี้มันยากตรงไหนสามอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นเองถ้าเราสามารถถ้าเราตั้งใจทําจริงๆเราจะทําได้ พราะมีคนทำมาได้แล้วเยอะแ ย, ยะไปหมดพระอรหันต์นี่มีมาทุกยุคทุกสมัย <c oughs> แล้นเราก็อาจจะเป็นเดิมในพระอรหันต์ในอนาคตก็ได้งั้นอย่าประมาทตัวเราเองเราต้องมองว่าเราเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับบรดกอันประเสริฐจากพระพุทธเจ้าได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่มามอบให้กับพวกเราเ น, นี่คือเรื่องราวของจิตใจ ของพวกเราที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานังอุ ป, ปกปติอิจิตังปัจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโต สัพเพปเร็มตูสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาชานตูสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะ อะิวาธานศีลิสานิจังวุธาปจายิโนจตาโรธรมมวะทานติอายุวโนสุขังพาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย พอหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามเพราะต้องทำงานอย่างอื่นต่อช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ f a c e บ o o k 492ย t u b บ355วิทยาออนไลน์12 ผู้รับฟังบนเขาร้อยสามสิบหกรวมทั้งหมดเก้าร้อยเก้าสิบ้าครับอาจารย์ข้าอยากจะถามยกมือขึ้นจะส่งไปให้ถ้ายัางไม่มีก็เอาคำถามที่ส่งเข้ามาก่อนคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะเรียนถามพระอาจารย์การบริจาคเงิน เพื่อทำบุญสร้างเจดีกับการทำบุญบริจาคโรงพยาบาลจะได้ผลบุญเสมอกันหรือไม่คะคือบุญผู้ที่ให้เหมือนกันจะเบิกจากให้กับใครแต่สิ่งที่ผู้รับไปรับนี้อาจจะทำประโยชน์ต่างกันโรงพยาบาลก็จะได้เอาไปช่วยรักษาคนไข้สร้างเจดีก็เพื่อจะได้มีที่อนุสรให้เราล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ยหงไงก็อยู่ที่ความปรารถนาของเราว่าเราต้องการผลอย่างไรอยากจะให้มีโรงพยาบาลรักษาโาครคภัยไข้เจ็บก็ต้องไปทำบุญที่โรงพยาบาลอยากจะให้มีโบสถ์มีเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สร้างเจดีย์กันแต่คนให้ได้บุญเหมือนกัน ทำบุญกระโรงพยาบาลก็ได้ความสุขใจอิ่มใจทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันแม้แต่ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ความสุขใจอิ่มใจอยู่ที่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการอะไรเราก็ทำแบบนั้นไปคาถามจากทางยูทค่ะจากคุณอรวรันโยมเป็นคนโทสะแรง ต้องแก้ไขด้วยวิธีไหนเจ้าคะโทษะความโกรธเกิดจากความอยากพอเราอยากแล้วไม่ได้เราก็โกรธงั้นลดความอยากลงพระพุทธเจ้า บ, บอกให้หัดทำใจให้ยินดีตามมีตามเกิดสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดอย่าไปจู้จี้จุกจิก อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะโกรธแต่ถ้าสันโดษยินดีเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ได้อย่างนี้ก็ได้ได้อย่างนั้นก็ได้ใจก็จะไม่โกรธนั้นพยายามลดความอยากความต้องการความหวังต่างๆให้น้อยลงไปให้หัดยินดีตามมีตามเกิดแล้วความโกรธจะไม่เกิด คำถามจากคุณจิราวดีค่ะกลัานามัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาหารหันต์นี้เวลามีสิ่งมากระทบท่านจะมีความทุกข์หรือมีความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นไหมคะสาธุค่ะ อ, อ๋อทางใจไม่มีแต่ทางร่างกายก็ยังถูกกระทบได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเดินทางไกลหิวน้ําก็ยังต้องบอกให้พระอานอนท์พระอุปถัฏากไปตักน้ามาถวายให้ท่านดื่มเพราะร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็เหมือนกันร่างกายของปุถุชนร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นร่างกายอันเดียวกันหิวข้าวเหมือนกันหิวน้าเหมือนกั น, นเนนจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเพียงแต่ใจไม่ได้ไปทุกข์กับความหิวความเจ็บของทางร่างกายถ้าเป็นพระอราหารันต ถ้าเป็นปุทุชนนี้จะไปเจ็บด้วยร่างกายเจ็บใจก็เจ็บไปด้วยบางทีร่างกายยังไม่ทันเจ็บใจเจ็บไปก่อนแล้วหมอบอกเดี๋ยวจะฉีดยายให้เข็มหนึ่งนี้ยังไม่ทันฉีดเลยใจเจ็บไปก่อนแล้วนี่โลกยังไม่ได้เป็นเลยใจวุ่นวายไปก่อนแล้แต่ถ้าเป็นผ้าหลานนี้ท่านจะเฉยเฉยเจ็บก็เจ็บตายก็ตายเพราะมันเป็นความจริงที่หนีไม่พ้นอยู่ท่านปล่อยวางได้แล้ว คำถามจากคุณทวีชัยค่ะมีทั้งหมดสองคำถามค่ะคำถามแรกเมื่อทำสมาธิได้ถึงขั้นสงบแล้วเราจะเจริญปัญญาอย่างไรครับ อ, อ๋อต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนขั้นสมาธิเป็นขั้นเติมน้ำมัน เ, ออเราก่อนที่เราจะขับรถไปไหนมาไหนได้เราต้องเติมน้ำมันให้มันเต็มถังก่อน อย่าเพิ่งพอเติมได้ลิดหนึ่งจะไปแล้วนั่งสมาธิพอเข้าสมาธิจิตเริ่มนิ่งจะไปทางปัญญาแล้วไม่ได้นะต้องให้มันนิ่งนานๆให้มันเข้ามาสมาธิบ่อยๆ ให้มันชำนาญสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาแล้วเวลาออกจากสมาธิหลังจากนั้นก็ค่อยมาเจริญปัญญามาพิจารณาไตหลักพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยไม่งามมีอาการ32จะต้องกลายเป็นซากศพพิจารณาอาหารว่าไม่น่ากินเวลาที่มันออกมาจากร่างกายเราเวลาเข้าไปในร่างกายเรามันไม่น่ากินเลยถ้าเห็นรูปร่างหน้าตา มันเราจะกินไม่หลงฮะอันนี้จะช่วยตัดความอยากต่างๆได้ทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์ได้คำถามที่สองค่ะเมื่อโกรธโมโหไปแล้วความรู้สึกผิดตามมาอารมณ์และจิตจึงจดจ่อกับความรู้สึกผิดอยู่ควรแก้ไขอย่างไรครับก็ลองลงโทษมันดูสิลองตัดเที่ยวสักวันหนึ่ง ให้ไปอยู่วัดสักคืนหนึ่งอะไรทำนองนี้ต้องลงโทษแล้วมันจะได้ไม่ดัดจริตมันทำดัดจริตรู้สึกผิดไปอย่างนั้นเองให้มันถูกลงโทษแล้วต่อไปมันจะไม่กล้าทำผิดถ้ารู้สึกผิดแล้วไม่มีการลงโทษเดี๋ยวมันก็ทำอีกเนี่ต้องหามาตรการลงโทษตัวเองงดดูละครงดดูหนังงดนอนกับแฟนหรืออะไรก็ได้สักอย่างต่อไปมันจะได้ไม่กล้าโกรธ เหมือนตำัวเท่านเขาต้องปรับเราใช่ไหมขับรถเร็วเกินไปต้องปรับแต่น่อยถ้าไม่ปรับเดี๋ยวก็เตือนเฉยๆเดี๋ยวก็ขับเร็ว อ, อ, อีกเราไม่มีโทษต้องมีการใช้โทษการลงโทษจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะแก้ไขความผิดต่างๆคำถามจากทางเฟซบ o o กค่ะ<ม>จากคุณสุวรรณี กราบเรียนถามว่าถ้าไม่สามารถหยุดความฟุ้งซ่านขณะภาวนาควรพักการภาวนาทันทีหรือไม่คะก็สวดมนต์ไปก่อนแทนะสวดมนต์แทนสวดเอตติปิโสไปสักร้อยจบหรืมไม่อยากสวดก็เปิดฟังธรรมะไปสักชั่วโมงให้จิตใจจดจ่ออยู่กับธรรมอยู่กับการสวดแล้วความฟุ้งซ่านมันจะหายไปแล้วหลังจากนั้นก็นั่งดูลมหายใจนั่งพุโทโธต่อได้ คำถามจากคุณมาริวันค่ะกลับน้มัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกลับเรียนถามเวลานั่งสมาธิพุโทโธแล้วเผยคิดเรื่องอื่นๆเราควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็กลับมาพุโทโธใหม่เหมือนการชักกระเยาะกันเดี๋ยวเราก็เผอมันก็ไปคิดพอเราได้สติเราก็เดินกลับมาพุโทโธใหม่ เวลาเริ่มต้นมันจะเป็นเหมือนเด็กหัดเดินลน้มลุกคุกคานไปก่อนแต่พอเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสติก็จะมีมากขึ้นความเผลอก็จะน้อยลงเราก็จะอยู่พุทโธได้นานขึ้นยาวขึ้นไปคำถามจากทางเฟซบุก ค, ค่ะ ดวงจิตของคนเราอยู่ที่ไหนครับสิงอยู่ในกายหรืออยู่ที่ไหนทำไมถึงไปเกิดในที่ต่างๆได้ขอบพระคุณครับอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยที่ไปเกิดที่ต่างๆก็เป็นในโลกทิพย์สวรรค์ก็อยู่ในโลกทิพย์นะนรกก็อยู่ในโลกทิพย์เนี่ยจิตเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ส่งสัญญาณมาเกาะติดกับร่างกายเพื่อมารับข้อมูลทางผ่านทางละ จากทางร่างกายเท่านั้นเองเหมือนผู้ที่ควบคุมยานอวกาศเนีผู้ควบคุมยานอวกาศอยู่ในโลกนี้แต่ยานอวกาศไปอยู่บนโลกพระจันทร์อยู่ดาวอังคารแล้วยานอวกาศก็ส่งข้อมูลต่างๆมาให้กับผู้ที่ควบคุมยานอวกาศเนะีฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวกันจิตนี้เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดไม่มีความกว้างความคืบความหนาความยาว ความสูงความเตี้ยจิตอยู่ในโลกที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้โลกเรียกว่าโลกทิพย์โลกของจิตตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณมีความสุขเราก็เรียกว่าอยู่บนสวรรค์อยู่ในซีกของสวรรค์ถ้าจิตมีความทุกข์จิตก็อยู่ในซีกของอาบายคำถามจากคุณวิรัตค่ะเรียนถามค่ะอยากควบคุมไม่ให้จิต ไปคิดเรื่องอื่นขณะเวลาทำสมาธิควรจะกําหนดอย่างไรคะก็เหมือนพัดพุทโธพุทโธก่อนที่จะมานั่งนะต้องพยายามฝึกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนื่งตาขึ้นมาก็เริ่มท่องพุทโธไปเลยถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันกับพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธไป แล้วต่อไปพุโทโธมันจะอยู่ในใจเราพอเวลานั่งสมาธิเราก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ได้คำถามจากคุณอรุณการค่ะหากเราเห็นผู้อื่นกำลังทำบาปเช่นทุบตีสุนัขหรือยิงนกหากเราเห็นแต่ไม่ได้เอ่ยปากห้ามเราจะมีกรรมหรือไม่เจ้าคะไม่มีเราเพราะว่าเราไม่ได้ทาอะไรไม่ได้บุญแต่ก็ไม่ได้บาป ถ้าอยากจะได้บุญก็อาจจะไปพูดดีๆขอร้องคนที่เขาทำถ้าคิดว่าเราพูดได้ห้ามได้เราก็ได้ทำบุญได้ช่วยเหลือได้แผ่เมตตาให้กับสัตว์ตัวนั้นแต่ถ้าเราพูดไม่ได้พูดแล้วเขาเปลี่ยนจากตีมามาตีเราเราก็เราก็อย่าไปพูดดีกว่านอกจากเราอยากจะเจ็บตัวแทนหมาก็เอายามเจ็บให้เขาตีเราอย่างนี้เราก็จะได้บุญอ่ มหมดน ะ, ะดแต่ถ้าเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องฝึกอุเบกขาเพราะมีสิ่งมีเหตุการณ์อะไเยอะแยะที่อยู่เหนือวิสัยที่เราจะไปทําอะไรได้เราจะไปวุ่นวายใจก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆางั้นก็ถือว่าเป็นกรรมของผู้ที่เขาถูกถูกทารุณกรรมก็แล้วกันว่านี่แหละผลจากการทําบาปผลจากการที่ไปทําทารุณกรรมผู้อื่นมา พอถึงเวลาตนเองก็ต้องรับใช้กรรมเรียกว่ากองกรรมกงเกวียนใช่ไหทำอะไรกับใครไว้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเดี๋ยวก็จะต้องถูกเขามาทำเราถ้าไม่อยากจะให้เขาทำเราเราอย่าไปทำเขาถ้าไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เขามาทำเราเราอย่าไปทำเขาอย่าไปทำสุนัขอย่าไปตีสุนัขต่อไปเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขให้เขามาตีเรา คำถามจากคุณวิรัติค่ะควรใช้เวลานั่งสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ควรใช้สักกี่นาทีครับออได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าไปประมาทตัวเองไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาตั้งสติอย่างเดียวถ้ามีสติแล้วนั่งได้นานไปเองโดยอัตโนมัติเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเวลาด้วยถ้าไปตั้งนาฬิกามันไม่อยู่กับสติแล้วมันจะอยู่กับนาฬิกาถึงเวลาอย่างถึงเวลาอย่าง พราะใจของผู้เริ่มต้นนี้ไม่ชอบนั่งกิเลสมันไม่ชอบนั่งแต่ที่อยากนั่งเพราะได้ยินได้ฟังว่านั่งแล้วดีก็เลยอยากจะนั่งแต่ใจจริงมันไม่อยากจะนั่งถ้าตั้งนาฬิกามันจะไม่มีสติอยู่กับพุโทโธมันจะอยู่กับนาฬิกา้ได้กี่นาทีแล้วถึงหรือยังนั่งแบบนี้จะไม่ได้ความสงบถ้าอยากจะได้ผลได้ความสงบต้องนงต้องตั้งสติให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป เริ่มเรื่องนาฬิกาไปก่อนจะนั่งนี่ต้องมีเวลาว่างเยอะๆจะได้ไม่ต้องมากังวลว่า เ, เดี๋ยวต้องไปทํางานเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวต้องไปทํานูน่ทนทํานี่หาเวลาที่เราว่างที่สามารถที่จะนั่งไปได้เรื่อยๆแล้วก็ตั้งสติไปอย่างนี้เราจะนั่งได้นานยิ่งนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะว่าเป็นเหมือนกับการเอาน้ําเข้าไปแช่ในตู้เย็นนะพราะเอาน้ําเข้าไปแช่ตู้เย็นถ้าแช่เดี๋ยวๆมันก็ไม่ค่อยเย็น ถ้าแช่ได้นานมันก็จะเย็นแล้วเวลาออกมามันก็จะเนยมันก็จะเย็นได้นานกว่าจะหายเย็นการเข้าสมาธิก็เหมือนใจเอาเข้าตัวเย็นใจเราร้อนใช่มเวลาอยู่ข้างนอกสมาธินี่ร้อนกับเรื่องนั้นร้อนกับเรื่องนี้ร้อนกับคนนั้นร้อนกับคนนี้พอเรานั่งสมาธิพุทโธพุทโธใจก็จะเย็นใจก็จะลืมเรื่องคนนั้นคนนี้แล้วถ้าทำได้นานมันก็ยิ่งจะยิ่งเย็นนานขึ้นไป พอเลิกนั่งสมาธิมันก็จะเย็นไปเรื่อยๆอีกนานกว่าจะเริ่มร้อนขึ้นมาดังนั้นพยายามนั่งให้มากๆอย่าไปกำหนดเวลาคำถามจากคุณกนกพรค่ะกับเรียนถามเจ้าค่ะที่ทำงานยุ่งวุ่นวายมากพอลูกกลับบ้านมานั่งสมาธิแล้วจิตฟุง้งต้องทำยังไงเจ้าค่ะสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆสวดสักร้อยจบนะ ถ้าอยู่กับวิทีพิโสได้เดี๋ยวเรื่องราวทางที่ทำงานก็จะหายไปแล้วเราก็จะนั่งสมาธิต่อได้มหมดแล้วนะวมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ